c o t my time. เสียนกล้ากราบสัการ มีผู้ข้าท่าลายขอกราบไปน้อมเปล่าเนื้อเสียนผู้สนบุญเมื่อสังจำเนียนกราบเมื่อเสียนน้อมเปล่าเทีสาทานดอกไม้สุคน ม, มาลายกวันทาสัมมาสัมโพธิญาตราสรุเป็นองค์กรการระเนียบท า, านเห่งภูมิยัน ชายโยตูรักขันโตเตสังพุทธนังอาอยูุ่วันโนสุขังพลังพระพุทธทางมหากาลุนิโกทรงกราบแล้วปลให้ดินชื่พระทรงบอผิดประเสด็จศิล